ไปคือ ป, ประรูปธรมมรมะสู่กันพันพอเป็นทีระเล็กเนื่องจากว่า ผู้เป็นบรมโคของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ทรงแสดงธรรมไว้ให้พุทธบริษัทปฏิบัติตามเพราะว่าผู้ที่มีวาตนามรรมียังไม่เต็มยังไม่แก่กล้าเต็มที่ พอฟังธรรมแล้วก็ยังหลุดพ้นไปไม่ได้ท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่า น, นทางกอมัรรลุอรหัตอรหันต์ไปแล้วความทิ้นทุกมันก็มีอยู่ที่พร ะ, พระอรหันต์เดียวทิ้นทุก โดยสิ้นเชิงแต่ลำดับต่ำกว่านั้นลงมาก็พ้นทุกข์เป็นขั้นๆไปพระโสดาก็พ้นทุกข์จากอาวัยภูมิทั้งสี่ ตาแล้วไม่ไปสู่อบายภูมิพระโสดาบันรับประกันได้เลยมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปพระกีทาคามีข้อเหมือนกันพระอนาคามีค้นจากกามาวาจรกุศล ไปบังเกิดในพรมโลกชั้นสุทาวาสเป็นชั้นที่พระอนาคามีผู้ละกรรมสังโยชนขาดได้แล้วท่านก็ไปเกิดในพรมโลกชั้นสุทาวาตนี่เองสำหรับพระอรหันต์นั่นเรียกว่าท่านละสังโยชนสิบประการได้หมด เมื่อดับขันวันไรแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานก็ไม่ต้องไปทำความเพียรละ ก, กิเลสอีกต่อไปแต่วก็หมดกิจที่จะต้องทำเพราะอนณาคามีนั้นเมื่อไปเกิดอยู่ในพรหมโลกก็ต้องทำความเพียรภาวนายูอย่างนั้น พยายามกระทำอินทรีย์ให้แก่คล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่ออินทรีย์เต็มรอบแล้วก็ได้บรรลุอรหันต์เข้าสู่นิพพานท่านก็ไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกความพ้นทุกข์นั่นชื่อว่ามันเป็นกันขั้นไปอย่างนี้แหละ ตามวัฒนามบ า, ามรมีของบุคคลแต่การที่บุคคลมาทำตนให้พ้นจากอบายทุกนี่นะฟ้าเป็นดีดีมากทีเดีย ว, วเพราะว่าพระโสดาบันท่าน คนจากอมัอยภูมิทางสีแล้วท่านมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามชีวิตมีแต่จากก้าวไปสูงพันิพานโดยส่วนเดียวท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างคน นั่งอยู่บนเรือล่องไปตามกระแสน้ำแม่ไม่พายเรือกระแสน้ำมันก็พัดเรือไปมันไหลไปสู่ทะเลหลวงนู่นู้นอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยก็โสดาบันนี้ ตกกระแสของพาณิพานแล้วเพราะฉะนั้นพระโธดาบันท่านจึงมีศรัทธาแรงกล้ามีความเพียรกล้าสม่ำเสมอมีสติสัมปชัญญะรักษาทนไม่หลงไหลไปทำบาปมีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่น มีปัญญารู้จักว่าสิ่งนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์โดยเฉพาะก็มีปัญญามองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่ทัวตนเราเขาอันพระโสดาบาันนั้นท่านยอมละก็วมเห็นที่ว่า ขันห้าเป็นตัวเป็นตนเสียได้เลยความรู้ความเห็นที่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ย่อมเกิดขึ้นแดนท่านกำหนดเวลาไหนก็เห็นแจ้งในกายนี้ว่าอย่างไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั้นเลยไม่ได้สงสัยลังเล ว่าขั น, นังห้านี้จะเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนหน้องี่ไม่มีความสงสัยในพระโสดาบันไม่มีเลยดังนั้นเราทุกคนควรพากันพิจารณาตัวเองว่าเรานั้นพ้นทุกไปได้ขันไหน เราได้พ้นจากอวัยภูมิแล้วหรือยังนี่ก็ต้องพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจก็ทางไปสู่อวัยภูมทั้งสี่นั่นก็คือเป็นผู้ร่วงละเมิดศีลที่ตนสมทานแล้ว พวกรักษาสินห้าสมทานแล้วก็ไปละเมิดสินห้าข้อนั้นอยู่เช่นนี้พูกรักษาสินแปดสมทานสินแปดแล้วก็ยังไปล่วงละเมิดสินแปดนั้นอยู่พู้รักษาสินสิบเป็นสามเณรได้สมทานกับุูชาอาจารย์แล้ว ก็ยังไปล่วงละเมิดอยู่โดยไม่มีความสะดุ้งหวาดกลัวไม่มีความละอายใจไม่ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความโชว์ น, นั้นมันจะตามสนองให้ทนเป็นุกเพราะว่าบุคคลล่วงทาล่วงวินัยไปแล้วก็เห็นดีๆอยู่ไม่เห็นเป็นอะไร คนเรามันก็จันล่าใจตรงนี้เองไม่คิดให้ลึกซึ้งลงไปมองดูแต่ผิวนอกก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่นะมันย่อมอาศัยการเวลาไม่ถึงการเวลามันก็ยังไม่ให้ผลนี่ แต่มันให้ผลเป็นลูกประธรรมนะแต่ให้ผลเป็นนามธรรมคือความทุกข์ใจสุขใจอันนี้มันให้ผลแล้วผูท้ที่สังเกตตัวเองให้ทีทุวนแล้วก็วมยมรู้ได้เมื่อตอนมีศีลตนสารวมในศีลในบริสุทธิ์แล้ว มาโกรธกาดูความอกพร่องทนแต่ละวันละวันไม่มีด่างพร้อยอะไรอย่างนี้มันก็ย่อมดีโอปีใจปาปื้มใจว่าทนบริสุทธิ์จากบาทจากโทษอยู่นี่ผลทางด้านจิตใจ ย, ย่อมปรากฏในปัจจุบันนี้จริงๆเลย แต่ผลที่จะพาให้ไปเกิดสวรรค์พุมมมนโลกนันมันก็ยังเป็นอนาคตอยู่มันยังไม่ได้ไม่ถึงแต่เราก็รู้ได้ในปัจจุบันปัจจุบันนี้ถ้าจิตใจบริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้ว ่ากยังละกิเลสส่วนบนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ขาดมันจำเป็นก็ต้องเกิดอีกอต้องรู้ตัวเองได้ว่าถ้าเกิดอีกก็ต้องเกิดดีแน่เพราะว่าตนมองดูจิตของตนในบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่ทุกวันนี้ อ, อย่างนี้นะ เป็นปันนิิโผู้ปฏิบัติก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาอย่างนี้ผู้รักเป็นภิกษุสงฆ์ก็เมื่อได้สังรวมในพระพาติโมกและเสขียวัตนอกพระาติโมกออกไปก็มีก็เรียนรู้ตามรักษาพยายามระมัดระวัง ไม่ให้ล่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆอยู่นี่นะแต่ขยมสามารถรู้ตัวเองได้เลยว่าตนเองไม่มีโทษเพราะล่วงละเมิดในสิขาบทพุทธวัญญาต่างๆเช่นนี้แล้วมันก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีบาปถ้าว่าพังเผอไปล่วง ในสิกขาบทที่เรียกว่าสติกิจชาเป็นสิกขาบทที่แก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขตามระเบียบที่ท่านวางไว้เช่นแสดงอาบัตบ้างอยู่ปริวาต์บ้างอย่างนี้นะิทิก แก้ไขโทษต่ตตางๆที่ได้ล่วงละเมิดไปแล้วดังนั้นทุกคนให้นึกไว้สำเนียกไว้เสมอทีเดียวว่าผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอาวิชชาหุ่มห่ออยู่นี่มันอาจเพ้อไปก็ได้ เมื่อเพ้อไปท่องอาบัตอะไรแล้วก็รีบแสดงเสียง อ, อย่างนี้แล้วโทษมันก็หมดไปไม่ใช่มันไม่หมดถ้าไม่หมดภาษาสดากรก็ไม่ทรงวางระเบียบไว้ว่าให้แสดงอาบัตต่อกันแล้กันเราต้องเชื่อเชื่อพระพุทธบัญญัติอันนั้น อันนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นรุธศาสาานิกชนเนี่ยไม่ว่าภิกษุสามเณรทายกทายิกาก็ต้องปลูกความเชื่อมั่นในใจต่อองค์สมเด็จพระธรรมมาสัมุติเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระเจา้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของอุทธเจ้านั้นแต่พระสงฆ์ที่ปัถนาลามกมีอยู่ในโลกอันนี้นะไ ม, ไม่ว่าแต่สมัยนี้แม้แต่ข้างอุตการก็ยังมีอยู่แต่ เ, เที่ยวแสดงตนเขาเป็นผู้วิเศษวิโสอะไร มักน้อยสันโดษประชาชนเห็นเข้าข้อพากันเรื่มใส่ศรัทธาอย่างนี้พอเมื่อเขาเริ่มใส่ศรัทธามังง่าเข้าเขาปรวรณาปัจจัยสีเข้าไปเอาแล้วความโลภเกิดขึ้นในใจอยากได้อะไรกอดขอกับเขา หาอุบายจำเป็นอย่างโน้น อ, อย่างนี้บางบางพระบางรูปกอ่อโฆษณาหาอุบายชักจูงให้คนบริจาคทานได้เงินมาแล้วก็เอาไปฝากธนาคารเป็น ลงชื่อเป็นของส่วนตัวไปเลย น, นี่เรียกว่าพิสุอัตชีไม่มียางอายไม่กลัวบาปไม่กลัวนรกเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราไม่คนที่จะไปมีความเห็นอย่างนั้นไม่คนจะไป ม, มีความปรารถนาอย่างนั้น เพราะเหตุสะสมบัติในโลกนี้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วก็สูญหายไปมีแล้วก็หายไปเมื่อมีอะไรยังยืนอยู่ได้น้ำมีซ้ำร่างกายอันนี้มันก็ยังไม่เที่ยงอีกมันยังถึงวาระมันแล้วมันก็แตกตับทำลายไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปโลภอยากได้อะไรแล้ว ก็ต้องพิจารณาสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ตามอย่าไปดิ้นรนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทงสอนในเสียสละความสุขส่ขสวนตัวเพื่อความสุขส่วนรวม เราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอนไว้วันที่พระองค์จะเส ด, ด็จดดตับขันปริณิพานองค์ก็ทรงจัดว่าพิกษุทังหลายสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด อ, อย่างนี้อย่างแล้วพวกวก็งับประอดลายไม่ได้ตรัสอะไรท่อไว้อีกเพราะฉะนั้นปฏิมื่อโอวาทอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวก็แสดงว่าร่างกายอันนี้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงไปยังยืนแต่ว่าเมื่อกิตที่มันฉลาดมันรู้จักถือเอาประโยชน์จากร่างกายอันนี้ได้อยู่หมายความว่าอย่างนั้นประโยชน์ตนก็ได้เมื่อตนได้อัตภาพเป็นมนุษย์มามีบุญญาบมาลมีเกลา้าจนได้สระบ้านเรือนออกปวด แล้วเราก็ใช้กายวาจาเนี่ยปฏิบัติตามธรรมวินัยเข้าไปไม่เห็นแก่ความยากลำบากธรรมวินัยนี่เป็นเครื่องสะกัดกั้นตัณหาในหัวใจไม่ให้ลุกลามขึ้นใหญ่โตอย่งางั้นคระอรินาเห็นโทษแห่งตัณหากิเลส พาท่องเที่ยวมาในสงสาร น, นับชาตินับภพบไม่ทวนแล้วเช่นนี้ก็ย่อมยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้เพื่อสกัดกั้นกิเลสตัณหาไม่ให้มันครอบงมจิตใจได้ มันก็เป็นคนจริงนะถ้าปฏิวัติตามพระวินยัยแต่นี้กิเลสยามๆ ม, มันก็ครอบ ง, งมจิตไม่ได้เช่นอย่างอาบัติปาราชิกอย่างนี้นะนน เ, นเมื่อเป็นผู้สำรวมระวังตนไม่ล่วงอาบัติปาราชิกสี่ข้อนั้นอย่างนี้ ราคะตัณหามันก็ต้องเบาบางลงไปแน่นอนอีกอาบัตสังฆาทิเศษสิบสามข้อนั้นเอา้ามันก็ทำให้กิเลสส่วนกลางนี่มันเบาบางลงนะเมื่อปฏิบัติตามเมื่อสังวระวานตามสังฆาทิเศษสิบสามข้อนั้นเพราะ อาบัตเหล่านี้มันก็เป็นการป้องกัน ร, ราคะโทสะโมหะไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักบวชทั้งนั้นเลยคิดดูให้ดีผู้ไม่พิจนารณาจะไม่รู้นึกว่าพระองค์ทรงบรญญัติเข่งคัดเกินไปหัวผู้ปฏิบัติตามลำบากมาก นย่งนี้ก็มีแท้ที่จริงแล้วนะถ้าวิณาเห็นเหตุผลโดยตองแท้แล้วมันก็ยินดีปฏิบัติตามร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวเพราะว่าตนเบื่อกิเลสมาแล้วกิเลสพาให้เป็นทุกข์มาในสงสารนับชาติรับภพบไป่ทวนแล้วก็เพราะไม่มีวินัยนั่นเองเนี่ย ไม่มีวินัยบังคับกายวาจาไม่มีธรรมะเป็นเครื่องขูเกล่าวจิตใจให้กิเลสเบาบางออกไปนั่นแหละเพราะไม่มีธรรมไม่มีวินัยนี่แหละเป็นเครื่องปฏิบัติขัดเกลากลายวาจาใจเหตุนั้นมันจึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา อย่างหนักจนถึงก็ไปได้ทาบาป ท, ทากรรมไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดใจกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมลัยกันชายาผิ่นเฮโรอีนความชั่วทั้งห้าประการนี้เป็นเป็นของมีประจำกับจิตใจของมนุษย์ปุ้ทุจนในโลกนี้ ใครเกิดมาในโลกนี้แล้วหากไม่รู้บทปัญญิท่าประการนี้ไม่สำรวมไม่ละเว้นตามแล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นสะสมบาปกรรมในตัวเองมากมายมนั่นหนละเช่นอย่างที่ ค่านิยมเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เราการถือว่าสัตว์ดิบสาร เ, เป็นอาหารของมนุษย์นี่เว้นเสียแต่ว า, างชนิดต้นนั้นที่มนุษย์รังเกียจเริ่มเมเมื่อเกิดค่านิยมขึ้นอย่างนี้แนละไม่ว่าชาติใดภาษาใดมันก็ฆ่าสัตว์เลีย้ยงกันมาอย่างนี้ย แต่ว่าคนเกิดมาในโลกนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นคนบาปหนาสาหดทั้งหมดหาไม่ได้คนมีบุญรัตปนาได้ทำมาแต่ก่อนก็มีเพราะว่าพราะพุทธเจ้านั้นยมบังเกิดในโลกเป็นระยะระยะมาโดยลำดับแต่ที่ล่วงมาแล้ว พระ อ, องค์เจ้าเปรียบไว้เหมือนเท่ากับเม็ดหินเม็ดใายในทองมหาสู่ทะเลนุ่นพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกนะนั่นแหละดังนั้นแหละผู้มีปัญญาได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมันก็นละเว้นบาปกรรมเหล่านี้เสียได้อ่แล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสังวน หมดอายุในสวรรค์ก็มาเกิดในโลกนี้มาเกิดในฐานะดีก็อานิสงสินแล้วก็มีอายุยืนยาวนานได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่สำหรับผู้มีปัญญาหรือผู้ที่ได้คบหาสมาคม กับนักปฏิบัฑิปีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นยอมนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับชาติลำดับภพบในที่สุดบุญบารมีก็เต็มบริบูรณ์ได้ในชาติใด ช, ชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังทำแล้ว บางท่านที่มีบารมีแก่กล้า ม, มากเต็มบริบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติทรมานตนให้ลำบากพอฟังทมจบลงเท่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสทันหาโดยการทั้งทว่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หรือได้บรรลุโสดาสิกิกาอนาคาไปตามบารมีของตน แต่มันมีอยู่คนดีในโลกนี้นะถ้าคนดีในโลกไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่บังเกิดขึ้นในโลกแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมมาสอนแต่คนดีคนมีบุญมีปัญญาเท่านั้นคนมิจริธิเห็นผิดเป็นชอบไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไปเชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรม พระผู้ใดเจ้าไม่สอนเอาทอนได้มันก็ไม่ได้ไม่เชื่อฟังผู้ใดท่องเที่ย ม, มาในสงสารเป็นผู้มีความเห็นชอบเชื่อกรรมเชื่อผลของกรร ม, รรมว่าเมื่อตนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วเส้นนี้แล้วก็ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างที่ว่านะั่นนะตามทำตามวิมนัย ไม่เห็นแก่ความยากลําบากแม้มันจะฝืนความรู้สึกอย่างไรก็บังคับตัวเองเข้าไปเพราะว่าตนเองนั้นตกเป็นทาสของกิเลสานมานานถ้าตนเองไม่บังคับตนเองให้ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยแล้วก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากทุกได้อืมผู้มีปัญญาก็ยอมปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกชาติทุกมางี้นะดังนั้นแหละจึงปรากฏมีตำนานว่าพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็มีพุทธบริษัทสีเหล่าเกิดขึ้นมาพร้อมเลยมีพิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาอืมดูมันจะมีทุกข์สาปนาพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์เพราะว่าผู้หญิงก็เป็นผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาแข่งกับผู้ชายมาเหมือนกันแล้วเมื่อพระ อ, องค์ได้จัดสรู้แล้วทรงเทศนาสั่งสอนผู้หญิงก็เห็นทุดเอ็น เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในสงสารได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยก็จึงได้ขอบวชก็จึงได้ น, น eken, มีระเบียบการบวชผู้หญิงขึ้นมาเช่นในพุทธศาสนานี่แหละแต่ว่าในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงว่าประสงค์ให้ผู้หญิงบวช สืบต่อกันมานมนานเพราะว่าเมื่อหากว่าได้บวชสืบต่อกันมานมนานแล้วมันจะเละเทะ ม, มันจะเสียหายมากเพื่อศาสนาจะเสื่อมไปเรืวอๆดังนั้นจึงปรากฏว่านามิโุนีนั้นหมดไปแต่ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพาน เพราะในตำรากล่าวไว้ว่าในเมื่อพระองค์เสด็จประ น, นิพานแล้วในตำราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุณีมาประชุมสมนมกันในเมืองกุศินารายนั้นเพื่อถวายพระเพลิงประสบของพระศาสดาไม่มีเลยมีแต่ภิกษุสามเณรเท่านั้นและทา ย, ยกทายิกา มาชุมนุมกันเท่านั้นถ้ า, านาคุณีมีเนี่ยต้องมาแน่เลยอ่ะเบงั น, ง น, นดูอย่างทุกวันนี้การธนุบำรุงว่าตรศาสนาอย่างใกล้ชิดก็ดูเป็นจะผู้หญิงน้่นมากกว่าผู้ชายการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะมีเป็นจำนวนมากผู้ชายมีน้อยเดียว แต่ทันแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าสัตรูขึ้นในโลกแล้วผู้ชายกับออกบวชแล้วได้สำเร็จอรหรัตอรหันมากกว่าผู้หญิงมันก็แปลกเหมือนกันข้อนี้นะ